ช่วงนี้มีโรคระบาดพวกเราบางคนกลัวจนเพียนนะกลัวมากไปหมอไทยเก่งระบบสาธารณสุขเราเก่งโรคอะไรระบาดมาเนี่ยรับมือได้หมดที่ผ่านมานะกรทั้งโรคองค์โรคเอดอะไรเนี่ยนี้ผลิตยาได้เอง งันเมืองไทยเราเก่งเรื่องป้องกันโรคระบาดการสาธารณสุขเนี่ยเก่งแพ้อยู่โรคเดียวโรคขอรับชนะั้นอยากกลัวจนหล่นหลานนะจนขาดสติที่กลัวหล่นหลานแล้วจะมาบอกเสนอแนะ ทางวัดควรจะทําอย่างนั้นทางวัดควรจะทําอย่างนี้ไปอยู่บ้านไปเพราะกระทรวงสาธาณสุขเขบอกไว้ไม่ไม่เข้าไปที่ชุมนุมชนนี่ชุมนุมเยอะกลัวมากก็อยู่บ้านไปบางคนมาเสนอบอกว่าห้ามคนจีนเข้าวัดคนจีนมาอยู่เมืองไทยตั้งนานแล้วไม่ได้มีเชื้อหรอก ไม่ติดเชื้อจากคนไทยไปก็บุญแล้วบางคนก็เสนอให้คนจีนนั่งข้างนอกนี่ก็เพ้อเจ้อเกินไปเป็นการมองปัญหาแบบตีกลุมมองรวมๆไม่จำแนกไม่ได้จำแนกคนจีนที่จะเสี่ยงนะ มีน้อยอันแรกเลยลรามีระบบคัดกรองตั้งแต่สนามบินนะคัดกรองไปพวกนึ่นละพวกที่หลงเข้ามาในนี้ที่ว่าเป็นโน่นเป็นนี่ตายโ น, น่นนี่มันไม่ได้จริงอย่างคนจีนมีคนจีนตายก็ไม่ได้ตายเพราะว่าไอ้โรคนี้ต้องแนะนําเลยคนจีนตอนนี้เดินระวังนะอย่าหกล้ม ล้มลงไปเดี๋ยวคนไทยมันช็ อ, โอโกโรคระบาด <laughs> มันกลัวอย่างเงี้ยั้งโรคจิตจะกินเอานะแต่หลงาวาลงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อก็คุยกับคนจีนบอกหลวงพ่อขอความร่วมเมือนเดี๋ยวก็นั่งก็นั่งอย่างเดิมอยู่ด้วยกันมาทั้งนานแล้วไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะดูคนที่มาใหม่ๆ ที่เพิ่งเข้ามาจากเมืองจีนสดสดร้อนๆนะระวังกลุ่มนิสหะแล้วคนที่จะช่วยหลวงพ่อดูได้ไม่ใช่คนไทยหรอกต้องคนจีนด้วยกันที่อธิบายอะไรก็ด้วยกันได้ก็บอกว่าถ้าเขาเพิ่งมาใหม่ๆนะบอก oy, koy, ไปเที่ยวที่อื่นสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะแล้วค่อยมาเรียนธรรมะ แค่นี้ก็หมูนเรื่องแล้วถ้าจำเป็นจะเรียนจริงๆก็ระวังเขาอาจจะไม่ได้เป็ดแต่พวกเราหน่อยเองบ้องกลัวไปเองกล mm ัว hmm. มากเครียดมากเครียดมากุ่มต้านทานลดนะระวังเะ mm hmm. บโบราณบอกเกลียดอะไรก็ได้อันนั้นน mm ี hmm. ่สีชิ้นผิง ฉลาดนะมันไม่ให้คนจีนอนอกนอกประเทศไอ้พวกที่ต่อต้านคนจีนมานงงอย่างนอ้นอย่างนี้นามืดไปตามกันเลยคนจีนมาได้ตังค์นะได้เงินอยากได้เงินเขาแต่ไม่อยากได้ตัวเขาเหลวไหลนะที่สำคัญนะพวกเราดูหน้าแล้วมันก็ลูกผสมทั้งนั้น ในในีใครมีเชื้อจีนบ้างยกมือสิเห็นไหมก็จ <laughs> ะเกลียดคนจีนได้ยังไงนาะตั้งสติให้ดีนะอย่าเพ้อเจอ้อไอ้พวกปล่อยข่าวเยอะนะปล่อยข่าวบุ๊ยระบาด ท, ที่โ น, น้นระบาด ท, ที่นี่ทําไมเขาไม่จับเอาไปติดคุกซะบ้างเลยพวกปล่อยข่าวนี้นะนะสมควรมากเลย ทำให้คนเครียดเกินความจําเป็นนะเวลาเรามองปัญหาเราต้องมองอย่างจําแนกนะว่าตัวปัญหาจริงๆอยู่ที่ไหนกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่คนเป็นโรคนะกลุ่มเสี่ยงคือคนที่เพิ่งเข้ามาจากเมืองจีนนี่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะถ้าสูงมากเนี่ยทางสนามบินจับตัวไปแล้วนะเอาเข้าโรงพยาบาลไปเลยอย่า ก, กลัวเกินไป คนไทยก็เป็นไข้หวัดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไข้หวัดใหญ่ก็เป็นมาตลอดเลยแล้วคนไทยเนี่ยเป็นลูกผสมสายพันธุ์ดีทนเชื้อโรคโรคอะไรระบาดเข้ามาเมืองไทยสังเกตไหมไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดหรอกอยกเว้นโรคคารับชั่นโรคอื่นไม่มีอะไระสารสนุกเราแข็งแรงมากนะเทียบกับคนอื่น หลวงพ่อเพิ่องอ่านหนังสือเจอไม่ไม่นานเองก็งจัดอันดับนะสนาธาณสุขเราเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอันดับหกนะอันดับหของโลกไม่ใช่ของอาเซียนนะถ้าอันดับหกของอาเซียนก็งังนนะ้นงั้นตั้งอกตั้งใจนะดูตัวเองไปกลัวขึ้นมาม า, มากๆดูเขาไปไม่ใช่ไปดูคนอื่น พวกที่ชอบเสนอความเห็นนะให้วัดทำอย่างนู้นวัดทำอย่างนี้หลวงพ่ออยากบอกเธอเลยไปทำกรรมฐาน <c oughs> ในวัดเนี่ยมีทีมหมอหมอเยอะนะทีมหมอที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเยอะแยะเลยพวกนี้เขาดูแลอยู่แล้วละแค่ไหนพอดีอย่างแค่พวกเราใส่แมสตหลวงพ่อไม่ได้กลัวพวกเราติดไข้หวัดใหญ่อะไรนี่ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะ กลัว APM สองจุดห้ามากกว่านะช่วงที่ผ่านมาที่วัดเนี่ยขึ้นไปทั้งร้อยกว่าร้อยห้าสิบนะเพราะมันเผากันอุตรุดเลยแถวนีนะ้ช่วงนี้พออากาศปล่งขึ้นก็หายในนี้ยี่สิบกว่ายนะอาการดีกว่ากรุงเทพเยอะแต่ก็ทำตัวเป็ไอโมงไปก่อนนะตอนเดินทางตอนอไรเงี้ยจะได้สบายใจ บางคนเขาไอนะไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกมันคันคอ <c oughs> <c oughs> คนได้ยินวิ่งหนีไปเลย <c oughs> รอบจิตให้หน่อย <c oughs> เอา้าส่งกันบ้างพวกอยู่วัดส่งมาสึกยังมีโมหะตครหลวงพ่อเวลากลับไปบ้าน ภาวนาในชื่อตจะมันยากจังเลยฮะที่จะให้มันสม่ําเสมอมันเพราะจิตมัวหรือเป่าหรือเพราะอะไรมันหลงไปกับโลกพอถ้าหลงโลกก็ต้องไม่หลงนะนะอย่าไปหลงก็มันมากสอนตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราเริ่มแก่ลงทุกวันละต่อไปเดี๋ยวเราไม่มีกําลังนะาการภาวนาะต้องทําทุกวันเบ้นมักไม่ได้ เว็ยนวังแล้วมันก็จะเลยแล้วเสื่อมวนอยู่เท่านั้นนะอดทนภาวนาะนะลูกหลักแล้วก็ต้องอดทนเอาภาวนาก็ทำทุกวันนะครับก็ไม่ค่อยเจ็บเห็นผลเท่าไหร่มันมันช่วงนี้สิ่งแวดล้อมทางพลังงานมันไม่ดีเยอะนะตัวพวกนี้เป็นตัวกอบควรทำให้ใจเราไม่สงบ ไหว้พระสวดมนต์รัต น, นาให้พระคุ้มครองอะไรก็ว่าไปอย่างบางทีเราห้อยพระนะมีวัตถุมงคลพวกเรามีเยอะเลยมีเยอะเกินความจำเป็นด้วยซ้ำไปแต่ห้อยส่งเด็กไปนันแหขวนประจำคอไม่เคยรู้สึกเลยเพระวะวัตถุมงคลมันเป็นแค่เครื่องเชื่อมพลังเทานเป็นเครื่องเชื่อมต่อพลัง เั่นอย่างเราเวลาจะใช้วัตถุมงคลนะเรานึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะใจของเราเราลึกถึงมีวัตถุของเราเป็นเครื่องมือเป็นสื่อถ้าเราเราลึกถึงอย่างเนี้ยใจเราจะมีสมาธิขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ในห้องเล็กเนะี้ก็มีคนหนึ่งใจเนี้ยมัวตลอดเลย ทางที่แขวนพระไว้นะคว่าก็หมดโชกพระก็มัวไปด้วยพากันมวนม ว, นวมุนอ่ะมอห้อยพระไม่ใช่ห้อยส่งเดชนะห้พระก็ต้องนึกถึงพระก่อนจะแขวนก่อนจะห้อยก็สวดมนต์นึกถึงพระคนตะกี้เขาก็ทำถือพระไวส้สวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ราลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์อะไรนี่พอเราลึกมาถึงหลวงพ่อนะปีติขึ้นล้วพอปีติขึ้นเนี่ยสมาธิมาละไอ้ที่ฟุ้งซ่านมืดมัวภาวนาไม่สงบเลยเลยนี่หายทันทีเลยแค่เราเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สมาธิมักนก็เกิดสมาธิเกิดแลเราก็ภาวานาของเราต่อเมืม่อคนห้อยพระเหมือนเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์น้เจอร์อยังดีนะมีอยู่บ้างไม่อยู่บ้างถอดบ้างใส่บ้างบางคนแขวนพระเหมือนมีฟันปลอมมีฟันปลอมอยู่ในปากไม่เคยถอดเลยลืมใครใส่ฟันปลอมไว้ไม่ต้องยกมือนะผลวงเห็นใจใครใส่ฟันปลอมไว้แล้วลืมไปเลยเพราะมีฟันปลอมมีไมเนี่ยนะแบบเดียวกันอะแขวนพระนะจนลืมพระแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอ้าวว่ามา รับใ น, นมินส ก, การคะ่ะหลวงพ่อโยมได้ศึกษาธรรมะของหลวงพ่อจาก y o u t u ค่ะเป็นเวลาประมาณ5ปีแล้วก็ถือปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้กรนุนานแนะนำนะคะก็ปัจจุบันนี้ก็มองเห็นตัวเองเห็นความไม่ดีของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็อะไรที่มันมันไม่ดีก็แก้ไขอะไรที่ดีๆที่ยังไม่ทำก็พยายาม ทำให้มากขึ้นอืรู้สึกว่ามีศีลมีศีลได้ค่อนข้างจะถาวรมากขึ้นจากเดิมเนี่ยมากค่ะกานุโมโทนาก็ขอกันบ้านหลวงพ่อต่อค่ะใจเราก็เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกไหมใจมันเป็นคนดูนะร่างกายมันของถูกดูไม่ใช่ตัวเราอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมล้วเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ของถูกดูมาแล้วก็ไป โลบโกรดหลงมาแล้วก็ไปทุกอย่างมันมาแล้วไปทั้งหมดเลยนเนี่ยเฝ้าเรียนรู้ลงไปไมันจะเห็นเลทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเป็น ไ, ปไงไปเดินบินธบาติวันแรกไหวป่ะก็เดินสักสามวันขึ้นไปนะจะรู้พอได้ครับแต่วา่าเจ็ บ, บนะปวดทุกข์อาเป็นพระไม่ง่ายครับไม่ง่ายเป็นพระเป็นพระน่าลาบากมากในทางฟีสื้อของ บางคนมาเป็นอยู่ได้สักสิบวันนะออกไปแล้วไม่ออกอยู่ไม่ไหวแล้วไม่สบายเป็นเคสที่มากกว่าปกติหายใจเองก็ไม่ค่อยจะได้อนะไรอยเมนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ลำบากแล้วอยู่ยากอายุเยอะและ้วอย่างเนี้ยครื่งครึ่งกลางกลางอายุยังไม่มากเท่าไหร่แต่น้ำหนักมากนะน้ำหนักมากตอนบินตบานนี่นะแสนสาหัสเลย ถนนปูนถนนยางยังมาตอนนี้เดินง่ายที่สุดถนนปูนนะรองลงมาเดินนีเยอะมกัดขานะ่ะไอ้ที่ยางที่สุดะถนนกรวดนะอพวกกรวดเล็กๆเนี่ยโอ uh, ้หเจ็บที่สุดเลยทุกก้าวที่เดินนะ่ะเต็มไปได้วยสตินะไปถึงที่หมายแล้วจะกลับไปวัดยังไงไม่รู้เลยนะแล้ววันนี้เดินแล้วเป็นไงก็มีสติมากครับอืม เพื่อนก็พยายามบริจาคไปถ้าดูวันที่สามวันที่สี่อะไรมันจะเริ่มแตกเนะท้าจะเริ่มแตกแล้หนะ้าเจ็ดอะไรเนี้ยเจ็บมากเลยนะเลยวันที่สิบไปแล้วเริ่มด้างนะนะบางพื้นที่อย่างหลวงพ่อจึง่บังการนะันนะบินตบานมีความยากอยู่เรื่องนี้ ให้พวกกินอะไรเขาเรียกกะไเลยพวกเครื่องดื่มชู ก, กำลังเออเป็นธรรมเนียมเลยที่นะันนะพว ก, กินหมดขวดแนละ้วต้องกว้างขวดลงที่พื้นให้ให้มันแตกสาใจทีโอยพระเดินบิณฑบาตเนี่ยนะลำบากมากเลยเล็กๆเงี้ยมต่ำมองไม่เห็นนะเดินเหยียบทุรับทุเลมากเลย ให้เป็นพระนี่ไม่ใช่ง่ายนะยากเป็นพระชั่วช่วง่ายพระให้ดีาลาบากจริงวัดป่าครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาเราจะไปขอบวชเนะี่ถ้าให้เป็นผ้าขาวอยู่บางคนเป็นปีเลยให้ดูว่าเป็นไหวไหมถ้าเธอผ้าขาวมาบวชเนร์ีกนานเลยเราถึงจะได้บวดพระ ทีกว่าจะได้บทพระนี่รวมเข้าไปสี่ห้าปีถะทจะได้บทพระท่านลองแล้วลองอีกของเรามันลองไม่ได้มันลางงานมาได้แค่เนี้ยขืนไปลองก็ไม่ได้บวชเลยบวชแล้วมาลองดู <c oughs> อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ถอยออกไปเอาส่งงินบ้านก็เออ รู้สึกว่ามีสติมากขึ้นนะครับ อ, อยู่วัดแล้วก็ช่วงหลังก็เริ่มไม่ได้ไปสู้กิเลสตรงๆครับก็คอยมีสติแล้วก็พยายามทําทรูปแบบมากขึ้น น, นะนั่นแหละดีแล้วนะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมนะตอนมาเป็นพระหลวงพ่อนาต่อนี่สบายเลยใช้เวลาไม่มากการทำตั้งแต่เป็นโยมให้เต็มที่ไหม หลวงพ่อมีอะไรแนะนําไหมครับจะกลับบ้านวันไหนครับพรุ่งนี้นะครับเออพรุ่งนี้เช้าก็ไปเดินต่อลองดูที่นี่พระไม่ได้มีงานมากนะเทียบกับวัดค ร, รูบาอาจารย์แล้วงานน้อยเลยเช้าไปบินตบาตใกล้ที่ไหนเขาก็บินตบาดของเราตอนเย็นมีรถต้นไม้ บายสามโมงมีกวาดวัดตอนเย็นไปรถต้นไม้ฝั่งน้นเริ่มเป็นป่าละต้นไม้ขึ้นมาท่วมหัวเยอะเลยภาคเพียรปลูกกันไว้ลงทุนลงแรงมหาศาลเลยพระ เ, เหนื่อยมากเลยในการไปรถต้นไม้ที่เหนื่อยมากเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ฉันอะไรอยู่แล้วตอนนเย็นใช้พลังงานไปโดยไม่ได้มีอะไรให้กิน พออยู่ไปจนชินนะจะรู้ว่าชีวิตในวัดนี่มีความสุขที่สุดเลยเวลาบินตบาตเนี่ยจิตใจร่าเริงเบิกบานพระเรารู้สึกบางอย่างเวลาบินบาบัตจิตใจมัเป็นกุศลนะแต่ถ้าถ้าบินฑบาตแบบจะได้กินไม่ได้กินนี่จิตอางกุศลไม่มีความสุขได้กินก็ช่างไม่ได้กินก็ช่างมีความสุข ตอนเย็นๆ เ, เราไปฝั่งโน้นไปรดต้นไม้กันอยู่กลางแจ้งการใช้ชีวิตกลางแจ้งนี่คนกรุงเทพไม่มีนะไม่เคยลิ้มรสชาติน่าสงสารการที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินอยู่กับน้ำอยู่กับที่โล่งฟ้าใจเบิกบานมันรู้สึกโป่งไม่มีภาระ ร่างกายก็ทํางานไปใจสบายหลวงพ่อก็เล่าให้พวกพระฟังว่าตอนหลวงพ่อเป็นโยมไปอยู่วัดป่าบทีหลวงพ่ออยู่ใต้ต้นไม้ไม่อยู่ตามกุฏิตามอะไรขอครูบาอาจารย์ไมปผูกโกรดผูกเต็นอะไรอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่านอนกับดินนอนกับดินใจิตใจสบายมีความสุข มันคล้ายๆวางภาระวางหน้ากากวางหัวโขนอะไรทั้งหลายแหล่ทิ้งไปอยู่กับธรรมชาติจริงๆอยู่กับดินอยู่กับอะไรเห็นงูเลยมาเห็นตัวโน้นตัวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยใจเราก็ตื่นตัวตลอดคืนนอนหัวเราก็อยู่ใกล้พื้นใช่ไมสัตว์อะไรมันมาก็ตื่นตัวเร็วนไม่เหมือนนอนบนฟูกไม่มีสติ นอนสบายอุ่นสบายไม่มีสติง่ายนีพวกพระบางองค์ก็ไปกลางกรดอยู่ตามต้นไม้ถ่ายถายวัดมีแต่บออย่าอยู่นานนานเกินไปอยู่กับพื้นนานๆเดี๋ยวก็ป่วยง่ายเหมือนกั น, นช่วงนี้เชื้อโรคเยอะการที่เราเข้าใกล้ธรรมชาติธรรมชาติมันไม่ปรุงแต่ง ไอ้ที่ปรุงแต่งมากคือใจเรานะเราไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นความปรุงแต่งของใจชัดนะเช่นมันกลัวอยู่บ้านภาวนาไม่กลัวอะไรเลยมาอยู่วัดนี่ภาวนากลัวนะกลัวทั้งแต่ผีเห็นทุกแกเดินอยู่ภนะาวนาพุโทโธพุโทโธทุกแกทุกแกนะไม่รู้อะไรนะดูจะกระโดดก่อขอเมื่อไหร่ มันจะดูความปรุงของใจได้ง่ายใจมันจะดิ้นทีนีอิ่มนอนอุน่นภาวนาลำบากปลาเนี่ยพราของหลวงพ่อเนี่ยไม่ไม่ถึงขนาดฉันอาหารว่างนะแต่ฉันอาหารอะไรอนะ่ะมันไม่ถูกใจไม่ถึงอาหารไม่ถูกบากนะ บางที่อาหารไม่ถูกปากคือไม่มีอาหารนี่อาจจะไม่ถูกใจมีนะลำบากนิดเดียวเทียบกับสนักครูบาอาจารย์ทั่วไปนะสบายกว่าเยอะเลยนะมีกุฏิให้อยู่นะ้ำไฟพร้อมปรนิบาตอย่างดีเลยนะปัจจัยสี่ครบถ้วนไม่ลำบาก ถ้าไม่มีวินัยในตัวเองไม่มีความเข้มแข็งนะอ่อนแอง่ายนะยันพระบางองค์ฝึกตัวเองบางองคนะ์ชอบขนมมากเลยขนมมาไม่ฉันนะเลื่อนไปก็ฝึกตัวเองก็มีเลื่อนไปแล้วเพื่อนก็ดีใจหยิบไม่เอาดีกว่านะฝึกตัวเองไปเรื่อยๆแลยวมันจะค่อยๆเข้มแข็ง ลองดูใครมีปัญหาจะถามหลวงพ่อยกมือซิแล้วที่เหลือที่อยากส่งเดี๋ยวส่งกับผู้ช่วยสอนนะบ้ามาทำพรธการหลวงพ่อค่ะขอความเมตตาค่ะหลวงพ่อหนูปฏิบัติในรูปแบบมา ปีกว่าแล้วค่ะทุกวันค่ะดีที่ทําอยู่นาทีแล้วค่ะเห็นไหมใจเราไม่เหมือนเดิมหรอกเปลี่ยนไปมากเลยค่ะนั่น<ล>แหละทําอย่างที่หลวงพ่อสอนนะนะเจริญเร็วและต่องอดทนช่วงแรกเนี่ยเราจะรู้สึกพัฒนายเยอะเลยนะนานๆไปมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยเปลี่ยนนะที่จริงจิตมันละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันจะดูยากขึ้นนิดนึง จากคนไม่มีสติมีสติขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคอนทราสต์เลยตรงข้ามกันก็เลยรู้สึกเปลี่ยนเยอะจิตไม่เคยมีสมาธิมีสมาธิขึ้นมาก็รู้สึกเปลี่ยนเยอะนี่เคยมีสติแล้วมีสติเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันดูยากนะก็รู้สึกแหมไม่ค่อยพัฒนาเลยสมาธิมันมีอยู่แล้วนะสมาธิดีขึ้นดูยากนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ก็ดี ขอบคุณค่ะหลวงพ่อหนูจะพักเพียรค่ะดีต้องพักเพียร น, นะขอบคุณทำถูกเราก็ต้องทำสม่ำเสม อ, อวันนี้ผู้ช่วยสอนน้อยหน่อยนะส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องไปเฝ้าคอสอหลายคนก็จะไม่ได้สอนในนี้ วันนี้พวกผู้ช่วยสอนนะติดงานไปเยอะเลยหนะลวงพ่อพิธีพิถันนะคนจะมาช่วยสอนไม่ใช่ยอมง่ายๆให้ผู้ช่วยสอนเนี่ยหลวงพ่อจะเลือกให้คนนี้สอนคนนี้สอนสอนแล้วก็มีการตามผลด้วยนะดูผลงานที่สอนลูกศิษยนะ์อะถ้าสอนแล้วลูกศิษย์แย่ลงก็ไม่ต้องสอน แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่หลวงพ่อเลือกมาเนี่ยยังไม่เคยมีปัญหามีคนบางคนนะเขาภาวนาเข้ามาสอนเองนะเราดูแล้วก็ไม่อยากว่าเขาก็ภาวนาขงเขาได้ระดับหนึ่งนะแต่พอสอนไปช่วงหนึ่งแล้วคนเพีย้ยนจิตใจเสียหมดเลยเพียนไปหมด น, ะนี่หลวงพ่อก็ไม่ยอมให้ออกไปไม่ให้สอน ที่เข้ามาเข้ามาสแสวงประโยชน์นะได้เงินทีนเยอะๆเลยสอนไปสอนไปแผ่เมตตาแรงๆเนี่ยมันก็คือการสะกดจิตอย่างได้อะไรคนเขาก็ยอมแบบนี้หลวงพ่อจะระวังังไม่ให้ให้ออกไปผู้ช่วยสอนจริงๆคนที่สอนได้นะมีเยอะนะ แต่ไม่มาวัดแต่ละคนอยากทำที่สุดแห่งทุกไม่อยอมเพื่อนร่วมทุกตาดาๆเนี่ยไม่มองอ่ะขอเอาตัวรอด่วงนี้ก็มีนะพวกหนึ่งก็มาสอนได้ก็สอนช่วยสอนแต่จำนวนคนที่ต้องการเรียนเนี่ยมันมหาศาลเยอะมากเงินถึงมีผู้ช่วยสอนสักสามสิบคนมันก็ไม่พอ ไม่พอทางที่ทีพวกเราอาศัยหลวงพ่อ u t u b e นะไปดู YouTube ที่หลวงพ่อสอนนะแล้วถ้าเกิดงงเกิดสงสัยมีข้อติดขัดยกมือไหว้คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเปิด YouTube ของหลวงพ่อฟังมีทุกคำตอบที่มนุษย์ปกติมีนะที่มนุษย์ปกติเขาสงสัยกัน แต่ถ้าสงสัยว่าเทวดาชั้นนิมมานรดีกับปรินิ ม, มิตว ส, สวัสตตีต่างกันยังไงอย่างนี้ไม่มีในซีดีในยูทูบหลวงพ่อทำไมไม่มีเพราะไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่มีประโยชน์เพื่อความหลุดพ้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนสิ่งที่หลวงพ่อตอบเนี่ยเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นตรงนั้นเป็นธรรมะ ที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เรียนสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้างั้นถ้าไม่มีโอกาสถามผู้ช่วยสอนสงสัยอะไรไปฟังยูทูบหลวงพ่อมีทุกคำตอบแล้วที่ควรจะมีเนะชิญกลับบ้านพระมีอะไรไหมครับไม่มีนิมนต์ หลวงพ่อยังไม่ได้ถามนะคะแล้วหลวงพ่อเรียกแล้วอะค่ะแล้วเอเอาเอา้เอา <c oughs> ว่าไปหนูตอนนั้นที่เดี๋ยวหนูอยู่ไหนหลวงพ่อไม่เห็นว่ะอ๋ออะว่าไปหนูตอนนั้นที่ไม่อยู่วัดแล้วหนูก่อนมาอยู่วัดหนูไปปฏิบัติแล้วหนูขี้โมโหมากมคะ่ะหลวงพ่อแล้วตอนอยู่ที่วัดมันก็กับจากวัดก็ดีขึ้นแต่ หนูก็ยังเพิ่งไม่นานมาเนี้ยหนูก็มีเรื่องกลายเป็นว่าหนูก็ยังขี้โมโหมากๆอยู่ค่ะหลวงพ่อหนูเลยไม่รู้ว่าหนูทาทําอะไรผิดอีกไหมอะค่ะไม่ผิดหรอกถ้ามันไม่โมโห่ผิดเพราะว่าภูมิจิตภูมิธรรมของเราขั้นเนี้ยยังละโทสาไม่ได้ะเราไม่ใช่พระอนาคามีเพราะฉนั้นยังโมโหอยู่หนูปฏิบัติไปหนูเปลี่ยนไปจนหลวงพ่อจาไม่ได้เลยพัฒนาขึ้นเยอะเลยดี แต่มันยังโผงโหงแบบคุมตัวเองไม่ได้เลยเนาะค่ะหลวงไม่ต้องคุมดูมันดูอีบ้านนี้เนี่ย <c oughs> ความโกรธมันวิ่งขึ้นไปดูมันไปอคอยดูมันไปอย่าให้ผิดศีลห้าเท่านั้นแหละะโกรธหัวฟาดหัวเวี่ยงไม่เป็นไรอย่าไปฟาดคนอื่นแค่นั้นแหละงั้นที่ทําอยู่ก็ทําต่อไปไงเนาะค่ะใช่ อาจารย์เนี่ยนะสอนเก่งแต่ตอนนี้แกเป็นไวทองแกเลยขอขอเบลีกนะต่างร่างสักการหลวงพ่อครับคือผมเจอปัญหาว่ า, วาประัวิในรูปแบบอะครับคือมันเจอว่าเวลาที่เรามีความคิดอะไรขึ้นมาครับมันรู้สึกว่ามันเหมือนมี มีฟิลเตอร์ที่มีอยู่อันหนึ่งครับหลวงพ่อมันจะคอยแบบ ม, ม, นะมันมีฟิลเตอร์เวลามันจะปรองความคิดขึ้นมาครับที่อกมันจะเหมือนมีเป็นแทรกภาพบ้างหรือเสียงภาพหรือเป็นภาพที่ไม่ดีครับไม่ไม่เป็นไร ร, รู้อย่างที่มันเป็ น, นเวลารู้สภาวะที่ผุดขึ้นเนะี่ยเราไม่ถล่มไปรู้นะอย่างขนาดเนี้ยจิตมันก็อยู่ต่างหากเห็นตัวนี้ทํางานนัแนถูกลครับทีนี้ผมก็พยายามอพอดีผมเจอปัญหาที้มาเป็นเป็นปีแล้วหลวงพ่อ โดยตอนนี้ครับมันมันเป็นหนักขึ้นแล้วก็มันเห็นเป็นสองช็อตนะครับช็อตแรกเนี่ยพอมันปรุงมาปุ๊บจิตมันเห็นเลยว่าสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นเองมองในโมมัทัตาครับแต่พอมันเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติเราเห็นเป็นภาพที่มีดีกับคนที่เรารักเช่นลูกเราหรือครูบาอาจารย์ที่เรารักถืออย่างนี้ครับมันก็ไม่เป็นกลางอดไม่ได้ที่มันจะต้องเอาสิ่งที่ดีอะให้รู้ทันเราเวลาที่เราภาวนาดีๆมานมันจะแกล้งมานมันมีจริงๆนะ ในคัมภีร์บอกมีมารอยู่ห้าชนิดไอชนิดที่คอยแกล้งเราเนี่ยนะถ้ามันแกล้งตัวเองนกิเลสมาร น, นะแล้วก็ถ้าของข้างนอกเนี่ยมันเรียกว่าเทวปุตตมารพวกที่มันมีพลังจิตะมันจะสะกดเราเนี่ยบางอย่งมันสะกดเราอยู่ดีๆมันให้ด่าหลวงพ่อขึ้นมานะแล้วอยู่ดีๆนะเห็นหลวงพ่อกําลังไล่ปล้ํำสาวอะไรเงี้ยนะมันหลอกมันสะกดให้เห็นนะ นวิธีสู้มันนะนะทำใจให้สบายคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารยนะ์อัลัฏานานะขอคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเนะี่ยช่วยคุ้มครองเรานะรฝึกอย่างนี้นะเวลาเราพอนานดีมานมันต้องลองใจนะมันจะแกลง้ง แล้วอยากเรียนสาวแล้วคือมันเห็นความความอยากากับคนไปมันเห็นสิ่งนี้นะครับความอยามันเป็นตัวโลภะครับนะให้รู้เอา ก, ก, ก็คือต้องรับมือด้วยการคือตอนนี้ผมมองในมุมบรรณาตาก็รับมือมุมนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็อมองมันไปเรื่อยๆนะนะเห็นไตรลักณไปเรื่อยๆครับภาวนาใช้ได้นะและ้วอย่างโทษนี้เวลาผมผมว่ามีความรู้สึกตัวในการในชีวิตประจำวันอย่างอุ้มลูกรู้สึกตัวก็รู้สึกเราเดินจบกอง ก็คือทำลักษณะนี้ไปเรื่อยอย่างนี้ทั้เลยใช่ไหมครั บ, บคุณครับถึงเวลาก็าห้พระสวดมนต์นะให้พระสวดมนตนะ์เราหาพระมาแขวนเพื่ได้กำลังใจนะเึือถึงพระอะไรเงี้ยพวกเรายังไม่แข็งแรงถึงขนาดมีจิตเป็นที่พึ่งของตัวเองเรา่าอาศัยวัตถุเป็นสื่อ เราเนึกถึงพระพุทธเจ้าเราเนึกไม่ออกพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเรายังไม่เข้าสัมผัสพระนิพพานสักครั้งไม่เห็นหรอกก็ใช้วัตถุเป็นสัญลักษณ์เนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ใจมีเรีวมีแรงก็เจริญเมตตาบ้างอะไรบ้างช่วงนี้พลังไม่ดีเยอะ มันแตกกระจกระจายออกมาเราะงั้นเราอย่าไปตกใจทําในรูปแบบไม่พาิบสุดมันไว้ก็ปลอดภัยเอะแล้ ว, ลวมันจะย่วให้เราเกิดกิเลสสังเกตให้ดีมานจะยั่วกิเลสเรามานภายนอกนะมันส่งพลังจิตมากระตุ้นมานภายในคือกิเลสของเรากระตุ้นมาทําอะไรกระตุ้นมันมาให้ปรุงแต่งให้มากๆ นั่นก็เป็นมานตัวที่อีกตัวหนึ่งชื่ออาภีสังขารามันมารข้างนอกเรียกว่าเทวปุตตมานในพวกขี้ฉาเป็นเป็นพระก็มีเป็นโยมก็มีนะไม่ค่อยแกล้งคนที่ภาวนาลองดูเขาลองพลังจิต ด, ดูว่าใครจะแน่ว่ากันบางทีแกล้งแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมากระตุ้นมานภายในคือกิเลสมานให้ฟูงขึ้นมา กิเลสมารทางานแล้วเนี่ยอาพีสั่งคารามาความปรุงจะเกิดขึ้นอุนตรุษเลยนะปรุงโน้นปรุงอย่างนี้บางทีก็ปรุงใจว่างๆ ล, ล, นะล่องลอยเผลอๆเพลิลลนๆอะไรเงี้ยแล้วแต่จะปรุงทีก็ปรุงกิเลสทีปรุงด่าพระพุทธเจ้าก็มีนะแล้วแต่มันจะปรุงเลยเนะนี่ยมนันข้างนอกมารข้างในมันร่วมมือกันอย่างนี้นะเราก็สู้ด้วยสติ ทุด้วยสมาธิมีสัจจะมีความเพียรมีความอดทนอดกลั้นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าชนะมารมาก็ด้วยบารมีทั้งหลายไม่ใช่ชนะได้ด้วยปัญญาบารมีอย่างเดียวใช่เจริญสติเจริญปัญญาอย่างเดียวเะนั้นใช้บารมีทุกๆุ ก, กตัวมาช่วยอย่างบางคนก็มีม า, มารมันปลุมมารคือกิเลสของตัวเองนะติดความสุข วันๆนึกคิดถึงแต่ความสุขอยากกินอยากนอนอยากเที่ยวอยากสบายอยากเพลิดเพลนะินอะไรเนี่ยตัวนี้ก็เป็นมารของตัวเองกนะ็ต้องสูนะ้สู้ด้วยบา ร, รมีอะไรในคขัมมะบา ร, รมีในคขัมมะบา ร, รมีก็คือการไม่ติดอ ก, กติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะในคขัมมะบา ร, รมีแปลหยาบหยบก็คือ เหมือน อ, อกบวชเนี่ยมีเนคขมมะความจริงออกบวชเราเป็นคารานเราวราออกได้ออกจากการรมเนะนคขมมะก็คือออกจากการรมอย่าไปติดในรถมากอย่าไปติดในการดูซีรีส์มากอย่างเงี้ยอย่าไปติดเรื่องโน้นเรื่องนี้มากล้นลายอย่างเนี้ไม้นสื่งเหล่านั้นก็คือเครื่องมือของมารทั้งหมดเลยสิ่งที่เป็นเครื่องมือของมารก็คือรูปเสียงจินรถโธตภา น, นั่นเอง ก็แหลเครื่องมือของมานเหยื่อที่มานใช้ล่อเราไม่ล่อมานในใจให้ติ้นลนขึ้นมาแล้วู้มันอหลวงพ่อพระยรตัวเสีนะตอนตอนีน้ใจแรกๆครับเจออย่างที่หลวงพ่อสอนเลยครับว่ามารมันโมดีด้วยที่ใจเราก่อนใชท่ที่นี้ผมผมก็ฟังยูทูบหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติต้องเจ็ปฏิบัติทุกวันนะครับเพราเราผ่านด่านนี้เสร็จ ป, ปุ๊บนะครับเราเรารู้เลยว่ามันในการแอพพลายขึ้นมืากันมันมันขยับขึ้นนะครับหลวงพ่อมันมีการไปโจมตีเป็นภาพลูกสาวเราหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเป็นคนโทรลักเสร็จปุ๊บอันนี้เราเห็นเลยนะว่าเราแบบอืมมันจะวันไหวหมดไม่ได้ที่เราจะต้องเอาสิ่งที่ดีไปไปทับหลายๆรอบเรารู้สึกเป็นแบบยังยังคิดยังทำไปแล้วนะรู้ทันมันก็อย่างนี้ผมอ ย, อย่างตกร น, นี้สติมันสามารถเขียนแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันมีคนเขียนกําแพงที่ภาพที่ไม่ดีเราไม่ได้เขียนอืแต่เป็นคนที่ทรลักนะครับรูปนั้นเราสามารถปล่อยทิ้งได้เลยได้เลยไหมครับได้พพพพเพราะพระผมลองแบบลองสู้ด้วยครับตามที่ที่หลวงพ่อสอนที่หลวงปู่ดุลย์สองเลยครับก็ดูเฉยๆนะ ถ้าใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบปัญหาอยู่ที่ไม่เป็นกลางละฮะปัญหาไม่ใช่ไอยู่ที่ว่าสภาวะธรรมเป็นยังไงนีสภาวะจะดีหรือเลวก็ได้จะสุขหรือทุกข์ก็ได้จะสงบหรือฟุ้งซ่านก็ได้จะมืดหรือสว่างก็ได้ขอให้รู้ด้วยความเป็นกลางเทะนะ่านั้นสิ่งที่เลวก็จะสลายไปนะความดีก็จะเพิ่มพูนขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันมันจะผมเคยลองสู้แบบนี้นะครับแล้ว มันก็มีความปรุงอี ก, กลัวว่าสิ่งที่ไม่ดีมันจะไปส่งผลกับไม่ไม่ส่งไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นไปตามกรรมของตัวเองไม่ใช่ตามที่ใจเราคิดอย่างนี้เราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับเขานะ่แต่บางทีมันสร้างภาพมาอุย้ยลูกเราถูรถทับอย่างเงี้ยมันแกล้งเราเราก็าอุย้ยใจเราหวั่นไหวอย่างเงี้ยสิไม่เกี่ยวกรรมใครกรรมมัน เชิญกลับบ้า น, นชวงนี้ก็ใส่หน้ากากไว้ก็ดีแล้ว